เธอพยายามข่มความอะไรที่กรุ่มรุมเร้าให้ซบเศราลงไปแต่ดูราวกับว่าความรักเป็นเจ้าหัวใจไม่ยอมพ่ายแพ้เขียงหลบสงบนิ่งอยู่ก้นบึ้งหัวใจชัว่วขนาดรอเวลาเหมาะๆออกมาแผงนิอีกเรารู้แล้วว่า พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือให้ลากออกความรักที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาให้เห็นเด่นชัดแล้ววิจารณาด้วยปัญญาบททีประหารมันให้จงได้แต่ครั้นเราพยายามปฏิบัติก็กลายเป็นว่าเมื่อความรักปรากฏเด่นชัดแล้วกลับทำให้อารมณ์ของเรา ยี่งานปวนรุนแรงหนักเข้าไปอีกภาพเรื่องราวแต่ครั้งก่อนเก่าขดขึ้นมาให้เราเห็นราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนี่เราเราจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือนี้อารมณ์เหล่านี้ของพิสุนีวาสิทธี เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยลำดับนางหวนคิดถึงคนรักของตนที่อยู่ห่างไกลกันเขายังมีชีวิตอยู่จริงหรือจะยังคงรักนางอยู่หรือไม่หนอเมื่อมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องรักก็เกิดความร้อนรุ่มไฟแห่งรัก ลุกโรงรบกวนการบำเพ็ญมากขึ้นทุกทีจนปรากฏอาการกระวนกระวายให้เพื่อนพิสมีสังเกตเห็นได้วาสิทธิท่านไม่ได้เข้ากระชุมฟังธรรมมาหลายวันแล้วได้แต่นอนทรงอยู่ในห้องเช่นนี้นี่ท่านรู้หรือไม่ขณะนี้นั้นท่านเป็นที่ถูกพูดคุยกันในหมู่พิสษุ ทิกุณีและคารวาทั่วไปแล้วว่าท่านนั้นกำลังผจนอยู่กับโรครักเราเป็นชิ้นนั้นจริงๆท่านเมธีนีเรากำลังเป็นชิ้นนั้นจริงๆและเราจะทราบ ถ, ถึงระประสงค์ของพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์ก็ทรงทราบ ด, ดีแต่ต้นว่าเรานี้กกำลังผจนกับโรครักที่แม้พระพุทธเจ้า แพทย์ผู้ประเสาิก็ไม่สามารถบาบัดได้ด้วยลำพังพระอำนาจจึงประทานพระโอวาทเป็นยาให้เราไปรักษาด้วยตนเองแต่ว่าในขณะนี้ไข้ ร, รักที่เราประสบนั้นมันมกำลังสุดวิสัยที่จะบรรเทาได้เราเองก็อับอายและท่อถอยยิ่งนักแล้ว ท่านเมทีนีท่านอย่าได้ท้อถอยไปเลยพระบรามศาสาศดาก็ทรงเคยต่อสู้กับกิเลสอันเป็นเหตุของทุกข์มาแล้วซึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนะแต่เราก็จะพยายามต่อสู้กับมันเราเองนั้นเมื่ อ, อยามเป็นคารวาสก็ต้องระทมทุกข์ที่สมทัศน์นั้นเอาแ ต, ต่ติดการพนันจนแทบไม่ยอมกลับบ้าน แข็นี่สินก็พอ่อพูนมากขึ้นกระทั่งเมื่อเขาคิดสั้นกระโดดน้ำตายหนีฆ่าและทุกคนไปอย่างนั้นเราเองก็ไม่อาจที่จะคงชีวิตอยู่เช่นกันแต่แล้วมาแบบนี้เมื่อเราได้บรรพชาเข้าสู่ร่มผ้ากาสะวัพักเช่นเดียวกับท่านกระทำคำสอนของพระบรมศาสดาก็สามารถทำให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ได้ จิตใจของเราตอนนี้นั้นปราศจากความทุกข์ใจใดๆแล้วแต่จิตใจของเราตอนนี้ปรับว้าวุ่นยิ่ง น, นะยิ่งพยายามที่จะแก้เหตุแห่งทุกข์ใจของเราก็ยิ่งเป็นทุกข์เราแทบคิดที่จะเชักชวนท่านเมทีนีออกเดินทางไปหากามณิที่กรุงอุเชน แต่เมื่อคิดแล้วเราก็รู้สึกละอายด้วยจะเป็นที่คารหาว่าเรานั้นอาศัยผ้ากาสะวะพัดเป็นสะพานพระจากสามีที่ตนไม่รักไปสู่คนรักก่าคิดซ้ำแล้วเราก็กลับคิดอีกว่ายอมสึกออกจากเพศบันพชิตไปเป็นอุบาสิกา ที่มีความสัทธาในพระศาสนายังดีกว่าเป็นภิกษุณีที่โมคดทุ่งสร้างไรสาระเช่นนี้แท้จริงแล้วท่านนั้นก็ยังมีสติที่คิดดีทำดีอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอยู่กนกะวาสิขีเพียงแต่ทนังรู้สึกผิดต่อกรรมนิทและยังรู้สึกสับสนต่อหนทางในชีวิตข้างหน้า เราคิดว่าหากเพียงท่านไม่รู้ได้ทราบข่าวของกามนิตว่าเขายังอยู่ดีเช่นไร ก, ก็จะทำให้ท่านนั้นสบายใจขึ้นและพอมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้ใช่แล้วท่านเนทนีเรานั้นต้องการทราบข่าวของกามนิตเช่นที่ท่านคิดไม่ผิดเลยจริงสินะพระองคุรีมาน ได้เคยสัญญาต่อเราไว้ว่าจะช่วยนากามนิษ์มหาเราที่กรุงโกสัมพีให้จงได้เช่นนั้นเราจะขอต่อพระองคุริมาให้ท่านช่วยพระองคุริมาเมื่อได้ฟังความประสงค์ของภิกษุณีวาสิทธี ก็รีบออกเดินทางไปโดยไม่ชักชา้าเมื่อเดินทางมาถึงกรุงอุเชนีก็สามารถสาะหาที่อยู่ของกามานิตได้โดยไม่ยากนักจึงเดินทางมาที่คฤหาสน์ของกามานิตทันทีเมื่อพระองคุริมานมาหยุดอยู่ที่หน้าคฤหาสน์ได้เพียงครู่หนึ่งภรรยาทั้งสองของกามานิต ก็ออกมาขับไล่ด้วยเข้าใจว่าเป็นขอทานจรจัดกามเนศกำลังสั่งการบ่าวอยู่ในบ้านได้ยินพรุศวาจาของภรรยาทั้งสองดังลั่นมาจากลานหน้าบ้านก็เข้าใจว่ากำลังทะเลาะ ก, กันเช่นเคยเสียงเอตตโรที่ดังขึ้นทุกขณะไม่มีทีท่าว่าจะเลิกราโดยง่าย เมื่อเดินออกมาดูก็พบว่าทั้งสองกำลังพร้อมใจกันด่าทอขับไล่นักบวชรูปร่างใหญ่โตล่ำสันศีรษะโลอนกามานิตจึงเข้าปราบภรรยาแล้วมาก้มคารวะต่อภิกษุข้าพเจ้าขอภัยในวาจางไม่เหมาะสมของภรรยาทั้งสองของข้าด้วยเถิดท่านนักบวชข้าพเจ้านั้นคือกามานิตผู้มีอาหารการกินวิเศษดีเลิศ เป็นที่เรื่องลือของชาวเมืองแห่งนี้ประเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะขอใส่บาตรถวายอาหารแด่พระคุณเจ้าเรานั้นไม่ได้มีความคิดโกดเคืองใดๆเลยแม้บางครั้งประสบกับเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้เช่นถูกคว้างปาทำร้ายจนเลือดออกจีวนขาดบาดตกแตกกระจายเพราะพระบรมมศาสาศดาทรงสอนว่าให้มีความอดทน วิบาตที่เกิดจากการทั้งหลายที่เราได้เคยก่อไว้ฮนี่นี่มันจอมจนองค์คุลมานี่นะใช่ต้องใช่แน่ๆถึงแม้กกนผมและหนวดคลาดจนเกลี้ยงเก่าแต่เราก็จําได้แนะว่าเป็นองค์คุลมานนี่นี่เราจะทำอย่างไรเดียเนี่ยเออ ออขอขอเชิญนิมนต์ท่านอยู่รับการถวายอาหารจากข้าพเจ้าก่อนเถอะนะท่านนักบวชเดี๋ยวข้าพเจ้าจะรีบไปจัดยกมาถวายแต่ท่านกามนิทได้ข่มความรู้สึกกลัวเอาไว้แล้วรีบเดินเข้าไปที่ครัวสั่งบาวให้จัดยกอาหารออกมาแต่เมื่อกามนิตกลับออกมาที่ลานบ้านอีกครั้งก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นหายไปเสียแล้ว สามนิตให้วันวิตกใจยิ่งนักด้วยมีความคิดว่าองคุริมานยังมีความเจ็บแค้นที่ตนเคยฆ่าสมุนคนสำคัญตายไปสองสามคนเพื่อความแน่ใจจึงส่งคนไปสืบถามในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ปรากฏว่ามีพิกษุไปบินทบาทที่บ้านใครอื่นจึงลงความเห็นว่า องคุริมาลปลอมตัวเป็นภิกษุมาสืมหาตนเพื่อชำระแค้นเป็นแน่ด้วยความรู้ที่เคยอยู่ร่วมกันในกลุ่มโจร น, นั้นกามาเนตคาดว่าพวกมันจะต้องลงมือในคืนนี้ซึ่งเป็นคืนแรมเดือนมือดอย่างแน่นอนจึงรีบรุดไปพระราชวังเพื่อกราบทูลขอพระราชทานความคุ้มครอง แต่ได้พบกับเสนาบดีรักษาการซึ่งก็คือท่านราชทษที่เขาเคยอาศัยร่วมเดินทางไปยังกรุงโกสัมพีนั่นเองป๋อมพนธตนี่หอกไม่ใช่เวลากลางวันแล้วก็ข้าคงเข้าใจว่าท่านฝันไปนแน่แน่เอ๊ะรู้ว่าท่านนั้นเสพสุราแต่เช้า จึงได้เห็นองค์ุลิมานหมาประกฏตัวเป็นพิสูได้ฮ <laughs> โทษจริงๆนะท่านเสนาบาดีก็ดังเรื่องที่พวกคนพูดเลยกันว่าจอมจนองคุลีมานจะออกล้อนอยู่ในแถบป่ากใกล้กรุงโกสสมพีนั่นอย่างไรและนี่ก็เท่ากับว่าข่าวเรื่ององค์คุลีมานตายในคุกนั้นเป็นเรื่องที่เหลวไหลจริงๆท่านนั่นแห ล, ละที่เหลวไหลกามนิษฐ์สาตับเอียนได้เล่าเรื่องการประหารโจอองค์ุลิมานให้แก่ข้าด้วยตัวเอง ที่ท่านต้องเคยตกอยู่ในอุ้มมือโจนมานานนั้นถ้าก็เข้าใจดีว่าท่านนั้นยังมีความวาดภาวะัวจนฝังอยู่ในจิตใจแต่เรื่องเลวรลายทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ล้วนเป็นผลมาจากที่เจ้าดื้อรันไปติดผู้หญิงในกรุงโกสัมพีจนมัวเมาไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งข้าท่านก็ไปนอนพักตงบจิตใจเธอท่านแล้วเลิกทตัวเลวหลายเสียทีกามานิศ สามนิตจำต้องกลับออกมาด้วยความผิดหวังเขาเริ่มตั้งสติคิดเตรียมการหาทางป้องกันและรับมือกับพวกโจรเมื่อถึงบ้านเขาจึงสั่งให้ขนย้ายสมบัติมีค่าไปซ่อนที่อื่นสั่งคนให้อพยพภรรยาและลูกไปอยู่ที่บ้านบิดานในตัวเมืองและจัดเตรียมกําลังคนพร้อมอาวุธอยู่คอยรับมือ แรกนั้นพวกบ่าวและพวกนักเลงที่กามนิศให้คนไปจ้างมาเพื่อคุ้มการขรหาดต่างก็คึกคักพร้อมที่จะโซกับพวกโจรกระทั่งเข้าสู่ยามราตรีขณะที่รอคอยเกือบทุกคนก็ค่อยๆเคลื่อนกายหายออกไปด้วยความกลัวเหลืออยู่เพียงโกริศ บ่าวคนสนิทเพียงคนเดียวที่ยังคงถือดาบเฝ้าอยู่ไม่ห่างกู้เป็นนายซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่สงบและแสนมืดมิดอย่างที่กรรมนิตไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตโกลินี่เจ้าไม่กลัวพวกโจรมันเรือบ่าวไม่ขอปิดต่อนท่านว่าบ่าวนี้ไม่กลัวหรอกขอรับแต่บ่าวก็พร้อมหากว่าบ่าวจะต้องตาย ข้าก็เป็นเช่นเจ้าเหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมตอนนี้ข้าถึงกลับไม่ค่อยนึกกลัวพวกมันแล้วข้ารู้สึกว่าบ้านเรายามนี้นั่งสงบสุขยิ่งนะไม่มีงานเลี้ยงไม่มีเสียงสวนเสค่ะไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้กจากภรรยาทั้งสองของข้าไม่ต้องวุ่นวายเรื่องกิจการค้าขายเฮ้อนี่นานเท่าไรแล้วนะ กี่าไม่เคยได้รู้สึกสงบสุขเช่นนี้นานแล้วนานแล้วทีเดียวกามาเนตหวนะระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาแต่หนหลังเมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปค้าขายยังเมืองต่างๆและการใช้ชีวิตสนุกสนานเรื่องเริงอยู่ในกฤหานอันหรูหราอุดมด้วยสมบัติพัสถานและอาหารการบริโภคอันโอชา เพียรพร้อมด้วยค้าทาสบริวารช้างม้างัางวควายผสมประสานกับความวุ่นวายไม่สงบอันเกิดจากความไม่ปรองดองกันของภรรยาทั้งสองคนกา ม, มานิตเริ่มรู้สึกได้ว่าแม้มีพภคสมบัติบริบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงสิ่งรอบตัวเหล่านี้แฝงไว้ด้วยความทุกข์ และเป็นภาระอันหนักหน่วงความกลัวที่เกิดขึ้นในตอนแรกพลันหายไปความเสียดายก็หายไปกลับอยากให้องคุริมานมาเผาทำลายสมบัติเหล่านั้นให้พินาศสิ้นหรือแม้แต่ชีวิตก็ไม่อยากอยู่ต่อไปอยากให้โจรมาฆ่าฟันเสียเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแบกรับความทุกข์ จึงหวังว่าเมื่อร่างนี้สิ้นความทุกข์ก็สิ้นตามมาเลยองคุลิมานมาเอาชีวิตข้าไปข้าพร้อมที่จะตายแล้วว่าทีข้ายังจำได้ถึงคำมั่นที่เราให้ไว้แก่กันว่าเราจะไปพบกันที่แดนสวรรค์เจ้าได้บอกกับข้าว่าหากผู้ใดประกอบด้วยบุญกุศล ดอกไม้ทิพย์ของผู้นั้นในสวรรค์ก็จะเจริญงอกงามแต่หากใครประพฤติชั่วดอกไม้ทิพย์ก็จะเฉาไปชีวิตของข้าที่ผ่านมานั้นมีแต่ความมัวเมาลุ่มหลงปางชนิดดอกไม้ทิพย์คงเหี่ยวเฉาไปแล้วเป็นแน่แท้โทษแล้วนี่ข้าจะไปพบเจ้าได้อย่างไรกันล่าวาสผีข้าจะไปหาเจ้าได้อย่างไร มาสิองคุริมานมาปลดเอาทุกสิ่งทุกอย่างข้าไปเลยข้ารอยเจ้าอยู่ที่นี่แล้วข้ารอยจะมาปลดอยู่ที่นี่แล้วโธ่ไอ้โจรบ้ามาสิมาเลยมาเอาไปให้หมดข้าไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วมาเอาไปเลยแล้วชัไหนข้าต้องรอ้อยผู้อื่นมาพลากสมบัติเหล่านี้ไปจากตัวข้าด้วยนะ ทำไมข้าจึงไม่สลับทิ้งเสียด้วยตัวของข้าเองถึงแม้ร่างกายนี้จะถูกทำลายและไปเกิดใหม่ก็ไม่รู้ได้ว่าชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไรอาจจะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ดังนั้นก็ไฟและดาบหอกหรือโจรจะช่วยอะไรข้าได้อตอนนี้ข้าไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความเสียดาย ไม่ห่วงหาอะไรและไม่มุ่งหวังอะไรจากใครเลยข้ารู้สึกปอดโปรง่งเป็นอิสระจากสิ่งภูมัดทั้งหลายโอ้นี่ช้างเป็นความสงบสุขอย่างที่ข้าไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตคงเป็นอย่างนี้กระมังหนอที่เป็นความสุขในแบบฉบับของนักบวชผู้ไร้บ้านเรือนไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติพัสถาน มีเพียงเครื่องใช้ที่จาเป็นจะดึกไปแสวงหาความสุขที่แท้จิกมามนิดคิดเห็นได้ดังนี้จึงตกลงใจแน่วแน่ว่าชีวิตต่อนนี้ไปจะขอสละบ้านเรือนออกบวชแสวงบุญจึงไปหยิบ ป, ประตัมาตัดข้างแหลงออกทำเป็นไม้เท้า เอาน้ำเต้ามากรอกน้ำสะพายบาแล้วสั่งเสียกับโกริศบาวผู้ทื่อสัตว์โกริศข้านั้นจะออกเดินทางไปโดยไม่กลับมาอีกแล้วแม้ตายแล้วก็จะไม่มาสู่โลกนี้อีกเจ้านั้นเป็นบาวผู้ทื่อสัตว์ของข้ายิ่งนักแม้ชีวิตของเจ้าเจ้าก็ายอมตายได้เพื่อข้าข้าได้เขีนยนหนังสือข้อความไว้แล้วว่าเจ้านั้นเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ จนกว่าลูกของข้าจะโตเป็นผู้ใหญ่ขอฝากความรักและคำอำลาอาไลไป ย, ยังบิดามารดาและภริยาของข้าด้วยขอรับนายท่านกามนิตบ่าวจะปฏิบัติตามความประสงค์ของนายท่านให้เป็นไปอย่างดีขอรับคาราเจ้าไปแล้วนะกอริศนายท่านนายท่านกามานิต ได้หันหลังให้ขครหาดอันโออามุ่งสู่โลกว้างเดินไปตามถนนที่ท้องฟ้าข้างหน้าเริ่มปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นณเทวาลาพระกิศนะภิษุณีวาสิถี เฝ้าคอยข่าวคราวจากพระองคุริมานด้วยใจจดใจจอ่อจนกระทั่งวันหนึ่งพระองคุริมานก็กลับมาถึงและบอกเล่าโดยละเอียดว่าตนเดินทางไปถึงกรุงอุเชนีสืบเสาะจนพบว่ากามนิตเป็นเศรษฐีอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตมีภรรยาแล้วถึงสองคนและเขา ดูสุขสบายดียิ่งนะักเมื่อพระองคุริมานเล่าจบลงก็ได้กล่าวลาภิกษุณีวาสิทธีทันทีเราได้จัดการตามความประสงค์ของท่านภิกษุณีสำเร็จผลแล้วเป็นอ่านได้เพื่อเรื่องปติญญาและไม่มีอะไรมากีดขวางเก่การที่เราจะได้เดินทางไปตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสู่กรุงพาราณสี และกลุ่ราชครือซึ่งเราจะรีบติดตามไปจนพบพระองค์ขอท่านพิสณีจงมีความอยู่เป็นสุขเถิดเราขอลาไปก่อนโธ่กาวนนี้นี่แม้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่สองเรานั้นก็ไม่อาจที่จะได้อยู่ร่วมกันอีกแล้วในชาตินี้ พิษุนีวาสิตีให้รู้สึกหมดอาลัยในชีวิตความฝันจะเดินทางไปอยู่กับคู่รักเป็นอันพังทลายลงนางหวนคิดว่าเมื่อครั้งที่กามนิศต้องจากเมืองโกสัมพีไปนางก็ทุกข์ทรมานด้วยอะไรอาวร์ต่อมาได้ข่าวว่าคนรักถูกโยนพรากชีวิตไป ก็เศร้าเสียใจและทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกเมื่อจำฝืนเข้าวิวากับผู้ที่ตนไม่รักมาบัดนี้แม้ว่าคนรักยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่อาจได้กลับพื้นมานางจมอยู่กับความคิดด้วยความระทมทุกข์อย่างแรงกล้าจนอาพาธหนักเมื่อใครครวญโดยรอบ แล้วมองไม่เห็นที่พึ่งอื่นใดจึงคิดจะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้สงช่วยกระจัดไฟที่แพดเผาดวงใจอยู่ครั้งร่างกายแข็งแรงขึ้นและผลฤดูฝนในปีต่อมาภิกษุณีวาสิทธีและภิกษุณีเมธินีก็ออกเดินทางจากที่พักอาศัย ไปตามเส้นทาง ท, Buddhism, ที่พระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปเมื่อแรกที่กามนิจจากบ้านเรือนเพื ith, Portland, ่อจาริกแสวงบุญเขาไม่มีจุดหมายว่าจะไปแห่งหนตำบลใดจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงได้เร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมายปลายทาง ในระหว่างนั้นก็คุณคิดคบปัญหาด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้ที่ร่ำเรียนมาแต่เดิมบ้างได้ฟังมาบ้างแต่ปรากฏว่าเกิดความสับสนมากขึ้นทุกทีกระทั่งข้ามลงวันหนึ่งกามนิษพบอาสมอยู่กางป่าเป็นที่พำนักของพรามและสิทธ์กลุ่มหนึ่ง จึงขอเข้าอาศัยพักแรมในคืนนั้นจนถึงรุ่งเช้าข้าแต่ท่านผู้จาริกแสวงบุญใครเป็นศาสดาของท่านใครเป็นผู้ที่แนะนำให้ท่านออกสแสวงหาความจริงข้าแต่ท่านพรามข้าพเจ้ากรรมนิมไม่ได้ถือตามศาสสดาท่านใด ข้าพเจ้าตั้งใจแสวงหาความรุดพ้นด้วยตัวของข้าพเจ้าเองนี่นะท่านกามมนิทแล้วท่านจะลุกถึงความจริงได้อย่างไรกันเล่าหากท่านเร่ร่อนไปแต่เพียงผู้เดียวเหมือนนอละไม่เอาเยิยงช้างป่าที่ไปเป็นโขงแข็งแรงด้วยมีหัวหน้าที่เฉลียวฉลาดชนานาญเป็นผู้นำทาง นี่เป็นโอกาสอันดีของท่านแล้วหลักที่ท่านได้มาค้นพบเราที่นี่ด้วยโอกาสอันดีอันนี้ท่านจงมาเข้าร่วมเป็นสิทธิ์ของเราเถิดนะเพราะการแสวงหาโมกษธรรมโดยไม่มีอาจารย์ชี้แนะนั้นก็เหมือนดังคนตาบอดไม่รู้ทิศทางที่ถูกต้องจะทำให้หลงทางและเสียเวลา แม้กามณิตเห็นพ้องกับคำกล่าวนั้นแต่กลับรู้สึกไม่ศรัทธาเพราะเห็นว่าพราามพยายามเกลี้ยกล่อมให้มาเป็นสิทธิกามณิตนึกถึงข้อความในพระเวทว่าศาสดาไม่พึงกระหายอยากได้สาวกสาวกพึงกระหายอยากได้ศาสดากามณิตจึงพากออกมา กามณิตเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและได้ยินเรื่องราวอันเป็นประวัติของพระสากยามุนีที่ได้ออกบวชจนได้ตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากามณิตได้ยินกิตติศัพท์ก็ให้เกิดความเรื่องใสจึงออกเดินทางเพื่อเข้าเฝ้าถวายตนเป็นสาวกและสืบจนรู้ว่า พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีแคว้นโกสนเขาจึงรีบเดินทางไปเมืองนั้นกระทั่งเย็นวันหนึ่งก็ได้มาถึงเมืองราชครือพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากป่าประดูลายเมืองโกสัมพีเสด็จผ่านเมืองสารนาศเมืองพระนาี และถึงเมืองราชคฤึกจนเวลาจวนค่ําพระพุทธองค์เสด็จดําเนินบนถนนในเมืองราชครึกสงดําริจะหาที่พักประทับแรมได้เสด็จผ่านบ้านนายพานนกต่อมาก็เป็นบ้านของพราหมที่ภรรยาสองคนของพราหมณ์เจ้าของบ้านกําลังทะเลาะกันและบ้านหลังที่สาม เ็นสถานที่เริงรมมีผู้หญิงยืนหน้าบ้านหอยเชื้อเชิญผู้ที่เดินผ่านไปมาภายในบ้านกำลังส่งเสียงเป้นรำขับร้องกันอย่างเต็มที่พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จผ่านเลยมาจนกระทั่งถึงบ้านนายช่างปั้นหม้อซึ่งทรงเห็นว่าเป็นบ้านที่เหมาะสมจะเข้าประทับแรม ดูก่อนท่านผู้เจริญหากท่านไม่ลำบากใจนักเราจะขอพักอาศัยในห้องโถงบ้านท่านสักคืนหนึง่งข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ลำบากใจอะไรแต่ในคืนนี้นั้นได้มีผู้เดินทางไกลมาขอพักอาศัยอยู่แล้วหากเขาไม่ว่าอะไรก็เชิญท่านตามประสงค์เถิดอาคันตุกะที่มาพักอยู่ก่อน ในเดินทางมาผ่านเลยบ้านผู้ที่ประกอบอาชีพไม่สมควรและไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นมาขออาศัยบ้านช่างปั้นหม้อนี้บุคคลเช่นนี้เราอาจร่วมสมาคมแรมคืนอยู่ด้วยกันได้ขันพอเสด็จเข้าไปในห้องโถงพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นกามมนิตนั่งอยู่บนเสื่อที่มุมห้องจึงตรัสปราศัยว่า ดูก่อนอาคันตุกะาถ้าท่านไม่ระเดียดเราจะขอพักอาศัยในห้องโถงนี้ดูก่อนภา ร, รดาห้องโถงในช่างปั้นนี้ออกกว้างขวางเชิญท่านอยู่ตามความพอใจเถิด เจ้าประทับนั่งสมาธิหลงที่มุมห้องด้านหนึ่งส่วนกามนิตก็ยังนั่งสงบนิ่งอยู่เช่นเดิมกุลระบุตรผู้นี้คงเป็นผู้แสวงหาโมกสธรรมอันเราควรถามถึงความเป็นมาดูท่านผู้จาริกแสวงบุญนี่ท่านออกมาถือเพศเป็นผู้ละเคหสถานด้วยพระเหตุใดกัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาช่วงต้นของราตรีอยู่หากท่านยังไม่รีบที่จะพักพรข้าพระเจ้าก็จะขอเล่าให้ท่านฟังก็มนิพ์เล่าเรื่องของตนตั้งแต่ครั้งออกเดินทางไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีได้ผ่านพบกับวาสีและเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อๆมาจนกระทั่ง ตัดสินใจละบ้านเรือนออกจาิกสแสวงบุญพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าวาสิถียังมีความซื่อสัตย์ต่อกามนิต์นี่ยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมที่เราจะแจ้งเรื่องราวนั้นให้กามนิตทราบด้วยยังไม่ตการเป็นผู้ไรเรือนหากทราบเรื่องของคนรัก การกิเลสอาจกอ่อตัวพล่านขึ้นทำลายความตั้งใจนี้ได้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์นี่คือภาวะที่ท่านเป็นอยู่อ่าจริงทีเดียวเป็นเช่นนั้นจริงๆทีเดียวโอ้ไม่ใช่เป็นหลักความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งนะข้าแต่ท่านผู้เจริญ ใครเป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันนี้ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญท่านยากังวลถึงเลยถ้าเห็นว่าทูกต้องเป็นจริงเป็นใครกล่าวก็เหมือนกันใช่ไหนข้าพเจ้าจะละเลยผู้ที่กล่าวนี้ไปได้แล้วท่านวาจาเพียงไม่กี่คำก็กินความถึงทุกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยประสบมาทีเดียวนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้เลือกใครเป็นศาสดาข้าพเจ้าต้องเลือกผู้ที่คิดกล่าวถ้อยคำนี้เป็นแน่ แล้วท่านได้เลือกใครเป็นศาสดาพระสมณโคโดมสกักยบุตรผู้สละสมบัติออกบรรพชาพระองค์นี้มีกิตติศพท์ว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์รู้แจ้งทุกอย่างเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้าเดินทางมานี้ก็เพื่อไปเฝ้าพระองค์และจะถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์ ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญแล้วท่านจะไปหาพระผู้ตรัสรู้ที่ว่านั้นหน้าที่แห่งใดไกลออกไปทางตอนเหนือในแคว้นโกศล น, นักรุงสาวัตถีถัดออกไปพ้นแหล่งทุกพลันจอแจเป็นที่ตั้งของสวนเจ้าเชษที่นั่นอุดมด้วยแมกไม้ร่มรื่นสงบเงียบสมควรแก่ผู้บำเพ็ญภาวนามีสระน้ำใสาปานแก้วทรงไอเย็นชำ และตอนจะเป็นทุ่งก็เขียวชวยอุ่มด้วยไม้นานาพันธุ์ดอกไม้หลากสีเมื่อหลายปีมาแล้วเศรษฐีชื่ออนาถบินติกะซื้อสวนนี้จากเจ้าเชษถวายเป็นที่ประทับถ้าข้าพเจ้าเร่งเดินไปจากที่นี่ก็เพียงอีกราวๆสี่สัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะได้เฝ้าอยู่แทบพระบาทของพระองค์ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมาแล้วหรือ ถ้าหากว่าท่านได้พบเจอท่านจะรู้จักหรือไม่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพบข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักพระองค์ขณะนี้ยังไม่ดึกเกินไปนะักหากไม่รังเกียจเราจากแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการตอบแทนที่ท่านเล่าประวัติของท่านให้เราฟังข้าแต่พรดาข้าพเจ้าต้องการอย่างนั้นอยู่แล้ว ขอท่านโปรดแสดงเถิดดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้าต่า น, นั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนนับป่าอิสิปตนะมรึกขายวันเป็นจักรแห่งธรรม อันผู้ใดจักขัดขวางไม่ให้หมุนวิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกหมูนเหตุแห่งทุกความดับทุกโดยสิน่นและทางถึงความดับทุกโดยสิน้นทุกนั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุก ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอะไรเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันห้า ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่แหละมูลเหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกโดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตันหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตันหานั้นนี่แหละความดับทุกโดยสิ้นทางถึงความดับทุกโดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐ มีองค์แปดประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น เมื่อพระศาสดาตรัสอริยสัจเป็นประเดิมดูดตั้งหลักศิลาขึ้นสี่มุมแล้วทรงชักเขาโครงหลักทำขึ้นแสดงประหนึ่งว่าสร้างบ้านทรงเชื่อมเนื้อความต่อเนื้อความดังเช่นนายช่างวางศิลาซ้อนศิลาเป็นรากฐานอันแข็งแรงทั่วกันทรงเปรียประตูคือลักษณะสามประการของธรรมชาติ ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นย่อมแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงทนสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นย่อมเป็นทุกข์ทั้งสองประการนี้เป็นหลักสองข้างประตูและสิ่งทั้งปวงทั้งที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งล้วนไม่ใช่ตัวตนคือยึดถือเอาไม่ได้กระทําให้เป็นดังต้องการไม่ได้ ประการที่สามนี้เป็นสมประตูอันแน่นหนักเชื่อมหลักทั้งสองผ่านประตูทรงอำนาจนี้เข้าไปคือบันไดอันมั่นคงแห่งปฏิจจสมบทประ ส, ปปสงนำสาวกขึ้นไปตามขั้นบันไดคือลำดับอาการเกิดขึ้นของทุกข์ที่มีเหตุและผลอันเกี่ยวเนื่องกันแล้วย้อนกลับลงมา คือลำดับอาการดับไปของทุกข์ที่มีเหตุและผลอันเกี่ยวเนื่องกันทรงนำสาวกขึ้นและย้อนลงโดยระมัดระวังทุกขั้นก้าวอยู่หลายคราวทรงชักอุทาหรณที่ชวนฟังและชวนคิดทรงแจกแจงแต่ละข้ อ, อย่างละเอียดละออกระทั่งสิ่งที่แฝงเร้นก็เผยออกมาอย่างแจ่มชัด ในตอนท้ายแห่งเทศนาทรงประมวลพระธรรมทั้งหมดดังคลุมเรือนด้วยยอดอันงามสงา่าและเห็นแต่ไกลด้วยพระพุทธวจนะดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดยอมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ยอมไม่เกิดอีกภิกษุ ผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอาวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดยานความรู้แจ้งว่าวิมุตต์ความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ ยอมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นยอมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตาย แต่บัดนี้ตราหนักแล้วถึงโทษในภพกระทําตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้หมุนทิ้และบาปบัดนี้บรรลุถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกําเริศเป็นความบริสุทธิ์และเกิดยานอย่างรู้ว่ารเราพ้นแล้ว ความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วจิตของเราสําเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สําเร็จเพราะเขาก็ทําสําเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกทางปวนบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัด เพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเงาซึ่งพืชพัน์แห่งความเกิดวิให้งอกเนยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้ แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพญามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความไปไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัตร คือพระนิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาจบลงกามนิผูเสแวงบุญยังคงนั่งนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานดวงจิต ตกอยู่ในความสับสนขัดแยงและสงสัยยิ่งหนักท่านกล่าวมามากมายเรื่องว่าภิกษุควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พ้นทุกข์แต่ไม่ได้พูดถึงว่าเมื่อเขาตายกลับสู่ธาตุเดิมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปบอกเพียงว่าหลังจากนั้นมนุษย์หรือเทวดาแม้กระทั่งธรรมชาติาาก็จะแลไม่เห็นเขาอีก ส่วนเรื่องชีวิตนิรันดร์สวยสวรรค์ทิพยสุขเล่าพระพุทธเจ้าไม่ตัดอย่างนี้บ้างห ร, อหรือเป็นดังนั้นพระดาพระาศาสดาไม่บุ่งตรัสอย่างนั้นเช่นนั้นเท่าวบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงทราบเรื่องสําคัญที่สุดนี้ดีกว่าข้าพเจ้าท่านคิดเช่นนั้นหรือฉะนั้นจงฟังนับปาประดูลายถัดกรุงโกสํมพีออกไป สถานที่ท่านละวัสิถีปฏิญาณว่าจะซื่อสัสตว์ต่อกันตลอดไปและจะพบกันอีกที่สวรรค์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้นทรงถือใบประดูหลยพ่อนหนึ่งออกมาจากป่าตรัสถามสาวกว่าดูก่อรภิกษุทั้งหลายใบไม้ในมือนี้เทียบกับใบไม้อื่นในป่านโน้นส่วนไหนมีจำนวนมากกว่ากัน พรนดาสาวกทูลตอบทันทีว่าข้าแต่พระองค์ใบไม้ในพระหัตถ์มีน้อยใบไม้ในป่านโน้นมีจำนวนมากพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าฉันได้็กฉันนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมะส่วนที่ตถาคตเห็นแจง้งแต่ยังไม่ได้แสดงมีมากกว่าส่วนที่ตถาคตแสดงแล้วแก่ท่านภิกษุทั้งหลาย เหตุฉนิยตถาคตจึงไม่แสดงสิ้นทุกประการเพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความไหนไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนับไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานถ้าพระพุทธเจ้าตรัสดังนั้น เรื่องก็ยิ่งซ้ําร้ายพระทรงนิ่งไวเพื่อปิดบังไม่ให้สาวกรู้ถึงความจริงเบื้องปลายซึ่งก็คือความดับสูญนั่นเองข้าพป็เจ้าเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดมาชัดแจ้งแล้วย่อมส่งผลลงเ อ, อ่ยอย่างนี้เพราะเมื่อละแล้วซึ่งอายาตนะทั้งหกดยถือว่าเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนเช่นนี้ก็เป็นอันว่าไม่มีอะไรเหลือให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปดังนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญ ตามคำสอนที่ท่านสาธยายมาข้าจึงเข้าใจว่าภิกษุที่ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสทั้งปวงเมื่อร่างกายตายลงก็ตกเป็นเยื่อแห่งความสูญถึงความพินาศดับสลายไม่มีความเกิดความเป็นอีกต่อไปดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญท่านบอกไม่ใช่หรือว่าภายในหนึ่งเดือนท่านจะไปเฝ้าอยู่แทบบาทพระาศาสดาที่สวนเจ้าเชษ ใกลกรุงสาบถีข้าพเจ้ามุ่งหวังไวเช่นนั้นเหตุชนไหนท่านจึงถามเมื่อท่านอยู่แทบบาดพระศ า, ศาสดาแล้วท่านจะคิดอย่างนี้หรือไม่ว่าอันรูปกายของพระองค์ที่ท่านเห็นด้วยตาอาจจับต้องได้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาไม่ได้ท่านผู้เจริญหรือท่านคิดดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสแก่ท่าน ดวงจิตของพระองค์ที่ปรากฏประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดและความระลึกได้นั่นแหละคือความเป็นอรหรันต์ข้าพเจ้าไม่คิดเช่นนั้นหรือท่านอาจจะเห็นว่ารูปกายและจิตใจของพระองค์ประกอบกันจึงเป็นอรหรันต์ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญเช่นนั้นท่านคงเห็นว่าความเป็นอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่รูปกาย หรือไม่ได้อยู่ที่จิตใจหรืออาจจะไม่ได้อยู่ทั้งที่รูปกายและที่จิตใจความเป็นอรหรันย่อมไม่อยู่ที่รูปกายและจิตใจเราไม่สามารถรับรู้ความเป็นอรหันต์จากสองสิ่งนี้เป็นเช่นนั้นพระราดานอกเหนือจากนี้ท่านมีอำนาจอื่นใดที่จะยังรู้ความเป็นอรหันต์ได้ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพรเจ้ายอมรับว่าไม่มีอำนาจอื่น ดูก่อนกามนิปเมื่อท่านไม่สามารถอย่างรู้ถึงสาระจินแท้ของอรหันด้วยเครื่องรับรู้ที่มีอยู่แล้วท่านมีสิทธิ์หรือที่จะกล่าวว่าภิกษุผู้สิ้นกิเลสทั้งปวงหรือที่เรียกว่าพระอรหันต์นั้นเมื่อชีวิตเขาสิ้นไปก็ถึงความดับสูญตายแล้วก็ไม่มีความเกิดและความเป็นอีก แม้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ั้างเช่นนั้นก็จริงอยู่แต่ก็ยังสงสัยว่าควรหรือที่พระพุทธองค์จะทรงนิ่งไว้พระองค์คงไม่ทรงเก็บงำไว้แน่หากทรงมีเรื่องน่ายินดีจะบอกกล่าวเช่นว่าภิกษุผู้หลุดพ้นทุกข์เมื่อตายลงจะไม่เพียงแต่ไม่ดับสูญแต่จะมีชีวิตอมตะสวยที่พรสุขนุรานดอนคาบอกกล่าวดังนี้ย่อมเป็นเครื่องกระตุ้นให้สาวกบาเพ็ญเพียรโดยเต็มกาลัง ดูก่อนกามนิพ์ท่านคิดเช่นนั้นหรือเป็นอย่างไรหากตถาคตมิได้ทรงชี้จุดหมายเบื้องปลายคือความดับทุกทั้งปวงทั้งไม่ได้สอนให้กำหนดรู้เห็นทุกในเบื้องต้นแต่กลับทรงยกย่องทิพยสุขนิรันดรนในชีวิตหน้าดังนี้เป็นแน่ใจได้ว่าสาวกจำนวนมากจะชื่นชมยินดีจะเพียรปฏิบัต คือให้บรรลุผลแต่เป็นการกระทำร้วยแรงกำหนัดปรารถนาซึ่งจะก่อควนจิตมิให้สงบระงับดังนี้จะมีเป็นการติดร่างแหของตัณหาโดยไม่รู้ตัวเสียแล้วดอกหรือและคณะที่ยึดเหนี่ยวในทิพยสุขชีวิตหน้าขอยอมต้องปรุงแต่งสืบสารจากชีวิตนี้ดังนี้จะมิเท่ากับว่ายิงไฟหาพบหน้า ก็ยิ่งจมปลักอยู่ในภพนี้ดอกหรือแม้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นภัยอย่างที่ท่านกล่าวแต่ก็เห็นความคลุมเครือเนื่องจากทรงนิ่งไว้กลับเป็นอันตรายร้ายกว่าเพราะเป็นการบั่นทอนแรงใจแก่ผู้ปฏิบัติแต่ต้นมือก็หวังให้สาวกมุ่งมั่นปฏิบัติโดยเต็มกําลังได้อย่างไรเล่าหากเขาไม่รู้แน่ชัดเสียก่อนว่าทําแล้วจะได้ชีวิตสุขนิรัน หรือว่าจะตกถึงความพินาศดับสูญดูก่อนกาแมนิศเรื่องต่อไปนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรต่างว่าไฟกำลังไหม้บ้านบ้าววิ่งเข้าไปปลุกนายตื่นเถิดนายรีบหนีขอรับไฟไหม้บ้านลุกลามไปถึงจันทันแล้วและหลังคาจวนพังลงมาผู้เป็นนายน่าจะตอบอย่างนี้หรือเปล่าว่าเจ้าจงไปดูข้างนอกว่า มีพายุฝนหรือมีพระจันทร์กระจากฟ้าถ้าเป็นอย่างหลังเราจรึงจะออกไปดังนี้ท่านจะไม่สรุปดอกหรือว่านายฟังไม่เข้าใจที่บาวผู้พักดีบอกถึงเรื่องภายร้ายท่านผู้เจริญข้าต้องยอมสรุปเช่นนั้นเสียแล้วเพราะนึงไม่ออกว่าผู้เป็นนายจะตอบงองงงเช่นนั้นได้อย่างไรนี่และผู้จาริกแสงบุญ ตัวท่านก็เป็นเหมือนมีไฟลุกโชนอยู่รอบศีรษะด้วยบ้านท่านกําลังถูกไฟไหมอะไรคือบ้านโลกนี้คือบ้านแล้วถูกไฟอะไรไหมถูกไฟแห่งความโลภความปรารถนาอยากได้อยากเป็นถูกไฟแห่งความโกรธความเคียดแค้นกื่นชังถูกไฟแห่งความหลงความมัวเมา โลกกำลังถูกไฟกิเลสเผาผลาญอยู่โลกตลบไปด้วยควันไฟร้อนละอุ่นซสะเทือนถึงมูลฐานแต่ท่านกลับไม่ประสงค์หลีพ้นจากไฟนั้นกลับเฝ้าถามหาแต่ภาวะที่พึงใจพระบรมศาสดาตรัสดังนั้นการาน็กถึงกับสันเทา คลายรูกระเบือแรกได้ยินเสียงราชสีคัมรามอยู่ในพงไม้ใกล้เคียงได้แต่นั่งหอเหี่ยวคอตกดวงหน้าหมองคล้ำถึงอย่างไรข้าก็ไม่พอใจอยู่ดีที่พระศาสดาไม่ทรงเฉลยว่าพระองค์สามารถจัดเรื่องที่รับรองชีวิตที่พิสุขนี้ดันได้หรือไม่และถึงแม้ว่าสาเหตุที่พระองค์ไม่จัดเป็นเพราะสิ่งที่ทรงทราบนั้น ไม่น่าดื่นรมและน่าสะพืนกลัวหรือเป็นเพราะไม่สงทราบอะไรเลยก็ตามทีข้าพเจ้าก็ไม่สบายใจขึ้นได้มนุษย์ยอมนึกผิดควรขวายความสุขและความเพลิดเพลินเป็นปกติวิสัยดูก่อนผู้สแสวงบุญดังนั้นก็เช่นเด็กไม่เพียงสาด้อยปัญญาไร้เหตุผลคนหนึ่งที่ต้องทุกข์ทรมานสาหัส ด, ด้วยปวดฟันจึงวิ่งไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญเล่าความเจ็บปวดให้หมอฟัง หมอโปรดบรรดาลความสุขสําราญมาแทนที่ความปวดฟันนี้ด้วยเถิดหมอตอบว่าเด็กน้อยเอ๋ยหมออาจทําแต่เพียงบําบัดความเจ็บปวดให้หายเท่านั้นแต่เด็กน้อยผู้เอาแต่ใจตนเองโอดครวนว่าต้องทรมานเจ็บปวดรูดร้าวที่ฟันมานานยังไม่สมควรจะได้รับความสุขสําราญดอกหรือว่าแล้วเด็กเขา ก็วิ่งไปหาหมอเถื่อนนักเล่นกลหมอโปรดบรรดาลความสุดสำราญมาแทนที่ความเจ็บปวดด้วยเถิดนักเล่นกลพูดว่าเด็กน้อยเอ๋ยสบายใจเถิดหมอทำได้แน่นอนเมื่อหมอกำมารอรับเงินเด็กใส่กระเป๋าแล้วก็เอามือแตะที่ฟันทำทีประกอบพิธีกรรมเด็กเห็นดังนั้นก็สบายใจไม่รู้สึกเจ็บปวด วิ่งกลับบ้านอย่างเริงร่าแต่ไหนไม่ช้าด้วยความปราบลืมจือจางไปเด็กก็รู้สึกปวดฟันอีกทำไมจึงยังปวดอยู่เล่าก็เพราะยังไม่ได้กำจัดต้นเหตุแห่งความปวดออกไปดูก่อนผู้แสวงบุญมีเรื่องที่แตกต่างว่าชายผู้มีสติปัญญาคนหนึ่งต้องทุกข์ทรมาณสาหัส ด, ด้วยปวดฟัน จึงไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญเล่าความเดือดร้อนให้ฟังหมอโปรดบำบัดความปวดฟันนี้ด้วยเถิดหมอตอบว่าหากท่านนม่ได้เรียกร้องเกินเลยข้าก็เชื่อมั่นว่าจะรักษาท่านได้ชายนั้นถามว่าข้าพเจ้ายังจะขอสิ่งอื่นใดอีกเล่าหมอจึงตรวจดูและพบสาเหตุเพราะรากฟันอักเสบ จงกลับไปบ้านแล้วเอาเปลิงเกาะที่เหนือตรงนี้ให้มันช่วยดูดเลือดเสียพอมันอิ่มหลุดออกก็ใช้สมุนไพรมีพ่อที่แผลทำอย่างนี้น้องและเลือดเสียจะถูกาจัดออกไปท่านจะหายเจ็บปวดชายผู้นั้นกลับไปทำตามคำแนะนำของหมอความเจ็บปวดก็หายขาดไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกทำไมจึงไม่ปวดอีก ก็เพราะได้กำจัดต้นเหตุแห่งความปวดออกไปหมดสิ้นแล้วกามนิตนั่งตัวห่อคอตกดวงหน้าหมองครัมเนื้อโทมกายใจยังไม่ยอมอ่อนข้อที่ถูกเปรยเปรยเป็นเด็กเผาในเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสมานี้แต่ก็อับจนที่จะโต้แยง้งได้แต่อัดอั้นอยู่ภายในจนจวนเจียนร่ำให้ ในที่สุดเมื่อความอึดอัดในลําคอทุลาลงแล้วก็ถามเสียงระห้อยว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ท่านได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาหรือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแน่หรือดูก่พระราดาเรามีสามารถจะกล่าวตอบว่าเป็นเช่นนั้นได้นี่อย่างไรเล่าข้าพระเจ้ารู้แน่แต่แรกทีเดียวว่า สิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นหาใช่คําสอนจริงตรงตามพระศาสดาไหมแต่ท่านกล่าวตวด้วยสําคัญผิดปิดเบือนไปเองใครๆก็พูดกันไม่ใช่รือว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ายอมอํานวยสุขทั้งในเบื้องต้นในท่ากลางและในเบื้องปลายดังนี้แล้วใครจะพูดได้อย่างไรเล่าว่าลทัทธิที่ไม่ได้รับรองชีวิตสุขนิรันย์อย่างของท่านเป็นคําสอนที่อำนวยสุขอย่างยิ่งแต่ชัางเถิ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้าก็จะได้เฝ้าอยู่เบื้องพระบาทพระศ า, าสดาและรับเอาพระธรรมจากพระโอษฐโดยตรงท่านก็ควรไปเฝ้าและรับคำสอนนั้นแท้ด้วยจะได้ปรับเปลี่ยนความเห็นผิดเพี้ยนน่ากลัวนี่เสียขณะนี้คงเป็นเวลาดึกมากแล้วเราควรพักผ่อนนอนหลับเถอะสุดแต่ท่านพระราดาพระพุทธเจา้าตรัสเตรียมด้วยพระกรุณาที่คุณ ทรงชักผ้ากาสาวพัดให้กระชับพระวรกายแล้วทรงเอ็นพระวรกายบนพระสันถัดในอาการสีหะสยญาติพระหัตถ์ขวาหนุนอยู่ใต้พระเศียรพระบาทซ้ายซ้อนเหลื่อมพระบาทขวาทรงกําหนดเวลาตื่นบรรทมดํารงพระสติสัมปชัญญะสู่นิทราลมในบันดล ดูก่อนพระราดานี่ท่านจะไปแล้วหรือแน่นอนก็ท่านคิดดูเถิดว่ามันน่าพิศวงเหลือเชื่ออะไรจะบังเอิญโชคดีขนาดนี้ได้เมื่อครู่นี้ข้าเดินไปตักน้าส่อด้านโน้นได้ยินคนพูดว่าพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสามร้อยเสด็จถึงนคร น, นี้ตั้งแต่คืนวานบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ป่ามะม่วงนอกเมืองฝั่งโน้นข้าพเจ้าไม่ต้องเดินทางอีกหลายสัปดาห์กว่าจะถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ที่จะได้เฝ้าพระองค์เร็วกว่าที่คาดคิดข้าจะรีบไปเฝ้าเดี๋ยวนี้แล้วท่านเป็นผู้มีความหวังดีข้าจะไม่ลืมกลับมาพาท่านไปเฝ้าพระศาษษษสดาข้าขอลาท่านไปก่อนแล้วนะกามเมณิตออกวิ่งไปตามทางเข้าสู่นครราชครุอย่างรีบร้อนชนผู้คนและพ่อของตกแตกล้มระเนระนาดไปตลอดทางแม้ถูกคนตะโกนด่าก็ไม่ได้ยิน พราใจกำลังปรืมกับลาบที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างไม่พลาดฝันครั้นมาถึงตรอกแคบแค่สองข้างเป็นกำแพงแต่มีแม่โพตัวหนึ่งวิ่งตื่นพยศสวนทางมาผู้คนทรงเสียงเอะอร้องเตือนกันต่างหาที่หลบกันจ้าละวันแต่กามนิศไม่ทันระวังตัว พอแม่โควิ่งรี่เข้ามาใกล้ก็หลบไม่ทันเสียแล้วมีคนวิ่งเข้ามามุงดูด้วยความตื่นตระหนกหลายคนเขาช่วยเหลือบางคนฉีกผ้ามาช่วยห้ามเลือดติ่พุ่งกระทูดจากบาดแผลขนาดนั้นกามนิตยังมีสติอยู่และรู้ตัวว่ากำลังจะตายแต่ความตายหรือความเจ็บปวด ก็ไม่ทำให้วาดวิตกเป็นทุกเท่ากับความคิดว่าจะไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าช่างทงหลายข้าเดินทางไกลเที่จะได้พบพระพุทธเจา้านี่จูงเสถึงที่หมายแล้วสงสารข้าพเจา้าด้วยเถิดโรช่วยหางข้าไปเข้าเฝ้าพระองค์ทีไม่ตุกลัวว่าข้าจะทนเจ็บไม่ได้ ออกว่าจะได้ไปอยู่แท้พระบาทแล้วข้าจึงจะตายก็ิดเกิดใหม่ยังมีความสุข